บัตรนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปอนุสติข้อต่อไปนั้นคืออาณาปานสติซึ่งเป็นองค์กรรมฐานที่ใช้ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันอาณาปานสตินั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นอนเนกกับประยยยบางครั้งบางคราวภิกษุผู้ปฏิบัติกรมมกรมฐานมีสุภกรรมฐานเป็นต้นเกิดปัญหาขึ้นมาไม่สามารถที่จะแก้ทางปัญหาได้จนถึงกับฆ่าตัวตายไปพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เปลี่ยนให้มาปฏิบัติอนาปานสติ อาณาปานสติกรรมฐานนั้นจึงได้รับคำยกย่องและสรรเสริญไว้เป็ น, น, นเอเนกกระพระการและเป็นประธานที่พระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าพระหันตสมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นหลักในการปฏิบัติจนบรรลุผลอันสูงสุดของแต่ละท่านและถือว่า เป็นทิฏฐธรรมสุขกิหารเกรี่ยมวยให้เกิดความสุขแก่ผู้ปฏิบัติในปัจจุบันดังนั้นจึงทรงสแสดงอณิสงฆ์เอาไว้เช่นในอาณาปานสติสูตรทรงสแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่บุคคลอบรมกระทาไม่มากแล้ว เป็นธรรมละเมียดแท้เป็นธรรมอันประนีตมีความเยือกเย็นมีความสงบและสามารถที่จะทำให้อกุศลและธรรมซึ่งบังเกิดขึ้นภายในจิตตกไปจากจิตในขณะนั้ น, น, นได้ซึ่งก็หมายความว่าอนาปานสติกรรมฐานที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วนั้น น อ, อกจากจะอำนวยผลให้ได้รับความสุขในที่จะทำแล้วยังเป็นปฏิปทาที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาตามลำดับโดยอาศัยอาณาปานสติเป็นพื้นฐานหลักการในการปฏิบัติที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรโดยพิสดาร น, นั้น เป็นการจำแนกขั้นตอนมีลักษณะเหมือนบันไดที่จะยกระดับจิตของบุคคลให้มีความระดีบขึ้นไปโดยลำดับเป็น16ขั้นด้วยกันโดยท่านแบ่งออกเป็นจตุกะคือหมวดละสีเป็นสีจตุกะเฉพาะในที่นี้จะกล่าวตอนที่เป็นจตุกะแรก โดยทงแสดงหลักของการปฏิบัติในเบื้องต้นว่าผู้ปฏิบัติเข้าไปสู่สูนยาคาันเรือนว่างโคตไม้หรือที่สงัดเงียบเป็นต้นนั่งคูบันลังตั้งกายให้ทรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าซึ่งการปฏิบัติกรรมาฐานส่วนอื่นมักจะไม่พูดถึงอิริยาบถเอาไว้ แตอาณาปานสติจะเน้นถึงอิริยาบถโดยท่านอธิบายว่าการนั่งตั้งกายทรงดารงสติไว้เฉพาะหน้านั้นการตั้งกายให้ทรงเป็นกายะปริกหะคือการควบคุมในส่วนกายส่วนการดารงสติไว้เฉพาะหน้าเป็นจิตะปริกหะคือการควบคุมส่วนจิต ซึ่งคนเรามีส่วนสำคัญอยู่สองส่วนคือกายกับจิตแตเมื่อกายกับจิตได้ถูกควบคุมไว้ด้วยหลักของอนาปานสติแล้วกายวาจาของบุคคลในขณะนั้นก็เป็นศีลเพราะไม่มีการกระทาในการละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งที่ทรงบัญญัติเอาไว้จิตก็จะได้หลักในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นสมาธิความสงบขึ้นมา แต่ในชั้นของการปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจว่าอนาปานสติสามารถใช้ปฏิบัติได้ทั้งสี่อิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าอิริยาบถนั่งที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเป็นอิริยาบถ ท, ที่เหมาะสมที่สุดทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอิริยาบถนอนปฏิบัติไปสักหน่อย จิตจะน้อมเข้าไปหาถีนมิทะคือความง่วงนอนและในที่สุดก็จะหลับไปเลยอิริยาบทยืนกับอิริยาบทเดินจิตมักจะตกไปที่อุทธะจะกกุกุจัคือความพุ่งสั้นและความรำคาญอันเป็นอาการของนิวรณ์อีกข้อหนึ่งส่วนอิริยาบทนั่งเป็นการตั้งหลักเพื่อจะให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจของตน แต่ในชั้นของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบแก่จิตใจนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องสำเนียไว้ในตอนต้นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำได้โดยง่ายเพราะว่าจิตของบุคคล น, นั้นเกิดและเจริญเติบโตอยู่ในกามาคุณแลเลื่อนไหลายไปตามอารมณ์ของกามาคุณตามที่ตนใคร่มาเป็นเวลานั้น สายไปในรูปเสียงกลิ่นรถโลิตภัณรในอารมณ์น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจโดยไม่ค่อยได้มีการควบคุมกันเป็นจริงเป็นจังแต่เมื่อจะให้จิตมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกเรื่อนาปาณสตินั้นจะต้องเตรียมใจยอมรับไว้ในเบื้องต้นว่าไม่ใช่จะทำได้ในเวลารวดเร็เวแต่เมื่อมีการกระทำบ่อย มีการปฏิบัติที่สืบเนื่องกันไปที่ทรงใช้คำว่าสาตจากริยาคือมีความมีการกระทำความเพียรที่ติดต่อกันไปแล้วผลคือความสงบย่อมสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัตินั้นท่านสอนว่าท่านสอนให้พิจารณาว่ากายวิเวก คือสถานที่ที่จะให้เกิดความสงบแก่ร่างกายย่อมเป็นอุปการคุณที่มีความสำคัญเพราะว่าจิตที่เคยชินอยู่กับอารมณ์ดังที่กล่าวแล้วนั้นไม่สามารถที่จะทำให้สงบได้โดยง่ายและเสียงทั้งหลายที่ผ่านมาเข้าหูเป็นอุปสรรคต่อความสงบอย่างรุนแรงแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเองและพระหานทั้งหลาย ก็จะต้องเลือกเอาสถานที่สงบสงัดเงียบจากเสียงขนหรือสถานที่สงบแห่งใดแห่งหนึ่งในสมัยโบราณนั้นท่านแสดงไว้ว่าเช่นว่าโคนไม้เงาไม้ช่องเขาถ้ำลองฟางกลางแจ้งเป็นต้นซึ่งเน้นไปที่ความสงบในการที่จะถูกเสียงรบกวน จะเป็นการบอกให้ทราบว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องหลับตาเพราะสิ่งที่จะเป็นสื่อนาเรื่องราวยุ่งยากมาเกิดขึ้นแก่ใจของเราจากที่ไายนั้นก็คือตากับพูดเมื่อเราหลับตาไปแล้วสตูประการสำคัญก็คือเสียงท่านจึงต้องการให้ตัดเสียงโดยเข้าไปอยู่ในที่ส ง, งดเงียบดังกล่าวนั้นในการฝึกนั้นกว่าจะสร้างความคุ้นเคยได้ เะาต้องใช้เวลานานโดยท่านอุปมาว่าเหมือนกับบุคคลที่พากลูกโคโกงมาจากแม่โคโกงครนี้ท่านอธิบายว่านายโคบาลที่เลี้ยงโคเมื่อลูกโคโตผสมควรแล้วก็จะพากมาจากแม่แต่ว่าลูกโคเนื่องจากเคยชินอยู่กับแม่เคยดื่มนมแม่อยู่ แกย่อมจะดิ้นไปเพื่อจะหาแม่ของแกด้วยไปในชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นในตอนต้นๆจะพบว่าจิตจะวิ่งไปสู่อารมณ์ที่ใคร่อยู่เสมอดะงนั้นในการปฏิบัติจึงทรงสั่งสอนอุบายวิธีเป็นอันมากที่จะตัดกระแสะอารมณ์เหล่านั้นเช่นให้ตดัดจริงที่เรียกว่าปริพ o คือเครื่องกังวลใจอย่างน้อยที่สุดในขนาดนั้นจะต้องตัดปริโพเหล่านั้นออกไปให้ได้ไม่ว่าในเรื่องการงานสกุลโรคภัยหรือภารกิจต่างๆตลอดถึงญาติพี่น้องการงานที่ยังไม่ได้ทำหรือกำลังทำครางอยู่หรือจะต้องจัดจะต้องทำต่อไปเป็นต้นก็ต้องปล่อยวางการงานเหล่านั้นไว้ชั่วขณะหนึ่งและในขณะเดียวกันก็ อาศัยหลักธรรมคือสติโดยท่านอุปมาไว้ว่าตัวลมคือลมหายใจเข้าออกนั้นเปรียบเหมือนหลักหรือเสาสติเปรียบเหมือนเชือกใจของคนเรานั้นเปรียบเหมือนลูกโคโกงหรือโคโซนอย่างที่ว่าไปแล้วการผูกล่ามไว้ในชั้นแรกนั้นลูกโคอาจจะดิ้นเป็นธรรมดาและดิ้นไปมากมากสติหรือเชือกอาจจะขาดก็ได้ ก็ต้องพยายามต่อเชือกเข้ามาแล้วก็ผูกล่าไว้โดยลาดับในที่สุดลูกโคก็จะคุ้นเคยกับสถานที่เหล่านั้นเมื่อเหนื่อยเข้าก็จะนอนสงบอยู่กับหลักใจของบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันในชั้นต้นแกนอาจจะวิ่งพลานไปในอารมณ์นั้นๆันน้แต่เมื่อกระทำ บ, บ่อยๆเข้าความคุ้นเคยกับอารมณ์ ก็จะบังเกิดขึ้นชันท้าคือความพอใจในความสงบที่สัมผัสครั้งละนิดละหน่อย<ๆ>ก็จะเพิ่มสูงขึ้นสติก็จะมั่นคงมากยิ่งขึ้นใจก็จะวิ่งแคบเข้ามาและในที่สุดก็จะอยู่กับอารมณ์ของกรรมาฐานเหล่านั้นในจตุกะแรกนั้นทรงแสดงไว้เป็นสีลำดับด้วยกันลำดับแรกคือเมื่อหายใจเข้ายาว ก็กำหนดรู้ว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวการหายใจเข้าและหายใจออกนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลบางคนอาจจะหายใจยาวบางคนอาจจะหายใจสั้นแต่พึงสังเกตว่าบางครั้งบางคราวลมหายใจของคนนั้นจะออกอย่างรุนแรงเช่นว่า เวลาทํางานเหนื่อยหรือเวลาขาดการควบคุมหรือว่าเวลาวิ่งมาเป็นต้นเวลานั้นบางครั้งจะหายใจด้วยจมูกยังไม่พอต้องหายใจด้วยปากแต่ว่าการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบนั้นท่านอุปมาไว้ว่ า, วามันเป็นเหมือนกับคนที่วิ่งมาเหนื่อยดรืยเดินมาเหน่อยถูกหายใจยังรุนแรงก็นอนพัก แล้วผ้าชุบน้ำเย็นๆวางไว้ที่อกก็จะช่วยให้หายเหนื่อยเร็วข้าวลมหายใจก็จะอ่อนลงในที่สุดก็จะกลายเป็นปกติการตั้งสติกาหนดระลึกดูลมหายใจเข้าออกในช่วงยาวก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่การกาหนดระลึกในโดยวิธีนี้เป็นการกาหนดรู้ว่าเราหายใจเข้าออกยาวหรือ ยาวหรือหายใจเข้ายาวหรือหายใจออกยาวหรือไม่เท่านั้นที่จริงการตั้งสติระลึกดูลมในระดับนี้ส่วนมากแล้วก็ลมจะกระทบที่ปลายจมูกหรือริมผีปากเบื้องบนของบุคคลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่จำเป็นถึงจะต้องตามดูไปอย่างระดับที่สามและในช่วงที่สองนั้นก็ทรงสอนให้ กำหนดรู้ว่าเมื่อเราหายใจเข้าสั้นหรือหายใจออกสั้นก็ให้ตามรู้ไปอย่างนั้นในที่นี้ก็ตั้งสติระลึกดูลมไว้เท่านั้นเองพยายามไม่ให้พลากไปจากลมเมื่อสติพลากไปจากลมก็พยายามดึงกลับมาระลึกพลากไปก็ดึงกลับมาระลึกแบบลูกโคที่แกดิ้นไปจนเชือกขาดแล้วก็ต่อเชือกข้าเกดิ้นอีกเชือกขาดอีกก็ต่ออีก เป็นการงานที่ออกเกียว ส, ส, ส, สั้นๆซักๆดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงมักจะใช้คำว่าอบรมกระทำให้มากอบรมก็ทําให้มากหรือพระอาจารย์บางท่านจะพูดแต่เพียงว่าภาวนาไปเพราะเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติไม่สามารถที่จะมอบหมายให้กันได้พระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็ทรงสแสดงแต่เป็นหลัก ปฏิทาสำหรับดำเนินของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นการที่จะตั้งสติระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกยาวสั้นนั้นใครจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเป็นเรื่องของกำลังความเพียรเป็นเรื่องของสติที่เกิดได้ทันหรือไม่และเป็นเรื่องของสัมปชัญญะที่จะรู้ตามทันหรือไม่พอถึงระดับที่สาม ทรงสอนให้กําหนดรู้กายทั้งสิ้นหายใจเข้ากําหนดรู้กายทั้งสิ้นหายใจออกคําว่ากายในความหมายนี้ไม่ได้หมายถึงกําหนดรู้ร่างกายทั้งร่างกายแต่ทรงสอนให้กําหนดดูลมนั่นเองลมนั้นเป็นกายหรือเป็นกลุ่มของกาย อย่างที่ทรงแสดงไว้โดยพิสดารเป็นการจัดกลุ่มของกายไว้ในกายานุปสัส น, นาสติปัฏฐานอนาปานาสติคือลมหายใจเข้าออกก็เป็นกลุ่มแรกของกายที่ทรงจัดไปการกำหนดดูกายทั้งสิ้นนั้นก็คือดูลมหายใจให้ตลอดนั่นเองข้อนี้เวลาปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้ด้วยตัวเองว่า บางครั้งเวลาหายใจเข้าออกนั้นลมที่เราเห็นได้ชัดบางทีก็เป็นปลายลมคือจุดที่ลมกระทบที่ปลายจมูกริมฝีปากเวลาออกหรือต้นลมเวลาหายใจออกก็ได้แก่เหนือหนาผีขึ้นมาเวลาหายใจเข้าต้นลมก็อยู่ที่ปลายจมูกริมฝีปากปลายลมก็อยู่ที่เหนือหนาผีขึ้นมาส่วนกลางลมก็อยู่ตรงหะ ดังนั้นในการปฏิบัติระดับนี้จึงแบ่งเป็นต้นลมปลายลมและกลางลมในต้นกับปลายนั้นขึ้นอยู่กับการหายใจเข้าหรือหายใจออกก็เปลี่ยนกลับไปกลับมากันอยู่หายใจเข้าปลายจมูกและริมฝีปากเป็นต้นลมเนื้อหนาผีเป็นปลายลมหายใจออกเนื้อหนาผีเป็นต้นลมปลายจมูกและริมฝีปากเป็นปลายลมส่วนกลางลมนั้นก็คือฮะไทยเหมือนเดิม แต่ว่าเวลากําหนดหายใจนั้นจะสังเกตได้ว่าบางครั้งลมปรากฏชัดคือเห็นลมได้ชัดนั่นสัมผัสลมได้ชัดเฉพาะปลายลมบ้างบางทีก็เฉพาะต้นลมต้นลมบ้างบางทีก็เฉพาะกลางลมซึ่งการปฏิบัติใหม่ๆที่ท่านเรียกว่าอาทิกามิกะคือคนที่เริ่มต้นนั่นแม้ปฏิบัติ ไปสามารถระลึกดูลมได้ในจุดใดก็ตามชันทะก็บังเกิดขึ้นในจุดนั้นชันทะคือความพอใจจะบังเกิดขึ้นในจุดนั้นมีความรู้สึกภาคภูมิเอิบอิ่มใจว่าเราสามารถจับทางลมได้และถ้าหากว่ากำหนดได้ทั้งต้นลมและกลางลมชันทะก็จะเพิ่มสูงขึ้นถ้ากำหนดได้ถึงปลายลมด้วย ชันทะคือความพอใจก็จะสูงขึ้นอีกและต่อแต่นั้นความปราโมทคือความปีติอย่างอ่อนอ่อนก็จะบังเกิดขึ้นก็คล้ายๆกับว่าคนทํางานทําการใดอย่างหนึ่งแล้วผลงานประจักษ์ปรากฏแก่ตาของตอนเองจะรู้สึกเ อ, อิบอิ่มภาคภูมิในการงานที่ตนกระทําไว้นั้นเช่นว่าปลูกต้นไม้เมื่อต้นไม้จเจริญเติบโตขึ้นโดยลําดับ ก็จะรู้สึกพอใจแล้วก็เอิบอปิ่มในผลงานเหล่านั้นเป็นต้นการปฏิบัติในทางจิตด้วยหลักอนาปานาสติกมฐานก็มีนนยะเช่นเดียวกันในชั้นนี้กำหนดเป็นต้นลมกลางลมปลายลมดังกล่าวคือให้กำหนดรู้ให้ได้ทั้งสามจุดทั้งต้นลมทั้งกลางลมและทั้งปลายลมอย่างที่พูดกันโดยทั่วไปว่าตั้งจิตไว้ในสามจุด คือตั้งสติระลึกไว้ในสามจุดคือปราจมูกริมฝีปากที่หัไทยและเหนือหนามผีขึ้นมาสติตามระลึกไปตลอดสายเหล่านั้นในส่วนใดที่ยังไม่ประจักษ์หรือไม่ปรากฏก็พยายามหายใจไปโดย ด, ำดำําดับซึ่งบางครั้งอาจจะหายใจเข้ายาวคือทิ้งช่วงยาวและหายใจเข้า หายใจออกยาวด้วยเพื่อกําหนดจุดที่ลมกระทบให้ชัดเจนว่าลมกระทบในตรงไหนซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงลักษณะใบหน้าหรือโครงสร้างรูปร่างของคนเราไม่เหมือนกันบางทีที่ท่านแสดงว่าปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนนั้นสมบัติบางคนอาจจะเป็นช่องจมูกก็ได้ดังนั้นลมกระทบในจุดใดตอนที่เข้าออก ก็ตั้งสติระลึกอยู่เฉพาะในจุดนั้นทั้งต้นลมทั้งกลางลมและทั้งปลายลมเป็นการตามไปตามมาอยู่โดยลาดับอย่างนี้ซึ่งเมื่อเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนั้นอาจจะกระทบเพียงจุดใดจุดหนึ่งดังกล่าวแต่เมื่อทําไปไปบ่ออีกสองจุดก็จะปรากฏขึ้นและเมื่อปรากฏพร้อมทั้ง3มจุดกําหนดระลึกได้ทั้ง3ามจุด สันทะคือความพอใจในความสงบนั้นก็จะสูงขึ้นความปราโมทก็จะติดตามมาดังกล่าวแล้วในเจตุกะที่สี่จึงทรงสอนให้สำเนียกดูความสงบระงับของกายสังขารคำว่าสังขารแปลว่าสิ่งที่ปรุงแต่งซึ่งคนเราก็มีกายมีวาจาก็มีใจ พูดไปพูดมาก็คือกายวาจาใจไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีสรุปแล้วก็ลงที่กายวาจาใจทั้งหมด น, นั้นสังขารที่ปรุงแต่งก็มีอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจสังขารที่ปรุงแต่งกายคืออะไรก็คือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกสังขารที่ปรุงแต่งวาจาคือวิตกกับวิจาร หมายความว่าก่อนที่จะพูดอะไรออกไปคนจะต้องคิดซสียก่อนพูดถ้าหากว่าพูดโดยไม่คิดก็จะเกิดความพลั้งพลาดความเผลอเรอขึ้นมาในประโยคคำพูดเหล่านั้นส่วนที่ปรุงแต่งจิตก็คือสัญญาและเวทนาได้แก่ความจำแดะความสวยอารมณ์ในที่นี้ทรงสอนให้ดูในส่วนที่เป็นกายสังขารคือลมหายใจเข้า ด้วยลมหายใจออกแะต่ถาหากว่าปฏิบัติผ่านขั้นตอนมาได้ถึงสามขั้นดังที่ส่งแสดงไว้นั้นมาถึงระยะหนึ่งกายสังขารคือลมหายใจเข้าก็จะเริ่มละเอียดขึ้นละเอียดลงโดยลำดับก็ให้สาเนีกดูความละเอียดของลมนั้นซึ่งหมายความว่าจะต้องผ่านขั้นที่สามมาก่อนแล้ว ดูกายทั้งสิ้นได้ชัดเจนแล้วให้ลมหายใจเริ่มละเอียดข้าวก็มาดูที่ลมหายใจซึ่งละเอียดนั้นตั้งสติระลึกอยู่ในจุดนั้นตั้งหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแม้ว่าในขณะที่กำหนดดูกายยสังขารคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่บางครั้งบางคราว อาจจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจหายไปหรือไม่มีลมหายใจก็ตามขอ้อนี้ท่านสอนเอาไว้ว่าอย่าได้ตกใจอย่าได้ลุกขึ้นอย่าได้เลิกละความเพียรพยายามที่กำลังกระทำอยู่ให้กำหนดระลึกอยู่ในจุดซึ่งลมเคยกระทบนั่นเองให้สติระลึกอยู่ในจุดนั้นอย่าให้พลากไปจากจุดนั้นในที่สุดลมก็จะปรากฏให้เห็นได้เอง การปฏิบัติโดยนิยนี้นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องปฏิบัติรวดเดียวทั้งสี่ขั้นแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการปฏิบัติมาโดยลาดับการปฏิบัติโดยลาดับนั้นลมหายใจเข้าออกยาวสั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงในจตุกะนีก็มีเพียงสามขั้นเท่านั้นสมหรับคนหายใจ ข้าออกสั้นก็ไม่ต้องดูที่ยาวเพราะตนไม่ได้หายใจข้าออกยาวสำหรับคนที่หายใจข้าออกยาวอยู่เป็นปกติก็ดูเฉพาะลมหายใจข้าออกยาวไม่จําเป็นต้องดูที่ลมหายใจข้าวออกสั้นเพราะเป็นเรื่องเรื่องของลมนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราหายใจของเราอย่างไรก็เป็นเรื่องอย่างนั้นเพียงแต่ว่าใช้สติเข้าไประลึกอยู่กับลมหายใจเท่านั้นเอง เป็นใช้เป็นการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์เป็นตัวกาหนดระลึกเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นมาเท่านั้นเมื่อเห็นว่าสามารถระลึกได้จึงเลื่อนมาที่ขั้นที่สามได้แก่การกาหนดรู้กายทั้งสิน้นคือตั้งฐานไว้สามฐานด้วยจุดไว้สามจุดเป็นต้นลมเป็นกลางลมเป็นปลายลมแล้วเมื่อลมหายใจเกิดเปลี่ยนแปลงไป ก็เริ่มละเอียดข้าวละเอียดข้าจึงมาสำเนียกดูความสงบระงับของลมหายใจเข้าออกมีประเด็นที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งก็คือหายใจเข้าออกหรือหายใจออกข้าวในคัมภี์เองก็พูดไม่ค่อยลงกันบางทีบอกว่าออกข้าวบางทีบอกว่าข้าวออกเถียงกันบางครั้งก็มีการอธิบายกันหลายสิบหน้าเฉพาะอาณาปานะคำเดียว โดยพระโบราณอาจารย์บอกว่าเด็กที่เกิดออกมาจากคันนั้นแกหายใจออกก่อนเพราะงั้นเวลากําหนดลมหายใจเข้าออกจึงต้องต้องดูที่ลมออกก่อนแทนที่จะดูที่ลมเข้าก่อนแต่ถ้าเป็นคนเราปกติลองสังเกต ด, ดูว่าเราหายใจเข้าก่อนถ้าไม่เข้าก่อนก็ไม่รู้จะเอาอะไรออกมาเหมือนกันจึงกําหนดที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี่เป็นหลักในการปฏิบัติ ด, ดูทั่วไป ประเด็นเหล่านี้จึงกลายเป็นประเด็นปริตร ย, ย่อยเพราะตัวสําคัญจริงๆอยู่ที่สติกําหนดรลึกอยู่กับลมได้หรือไม่นี่เป็นประการสําคัญหลักอนาปานสติที่บุคคลอบรมและกระทําให้มากจึงมีลักษณะที่ละเมียดประนีตสงบก่อให้เกิดความสุขความเชื่อจริงและถ้ามีกําลังมากพอ ก็สามารถที่จะมีปฏิกิริยาโต้กลับต่ออารมณ์มันเป็นกุศลที่บังเกิดขึ้นแก่จิตให้ตกไปจากจิตซึ่งมีอุบายวิธีในการปฏิบัติเฉพาะจตุกะแรกดังที่กล่าวมาด้วยประการศชนีตอนนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป